สสังคเพทานวัตกะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประพฤตตามกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงเรื่องพระโกกาลิกะและพวกประพฤตตามกล่าวสนับสนุนพระเทวทัต417สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤ ครั <unlucky. S 2> ้งนั้นพระเทวทัตเพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์เพื่อทำลายจักภิกษุทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าพระเทวทัตกล่าวสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกล่าวสิ่งที่ไม่เป็นวินัยฉะัหนพระเทวทัตจึงเพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์เพื่อทำลายจักเล่าเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้พระโกกาลิกะพระกตโมรกะติสกะพระคันธเทวีบุตร และพระสมุท tha ทัดได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นพระเทวทัตกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมกล่าวสิ่งที่เป็นวินัยท่านกล่าวตามความพอใจและความชอบใจของพวกเราท่านทราบความพอใจและความชอบใจของพวกเราจึงกล่าวพวกเราเห็นด้วยกับคำของท่านบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตาหนิ ประนามโพนธนาว่าชไนภิกษุทั้งหลายจึงประพฤติ ธ, ธรรมกล่าวสนับสนุนพระเทวทัตผู้เพียรพยายามเพื่อทำลายสงเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิภิกษุพวกพระโกกาลิกะเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ